เรื่องนี้เกิดจากที่ผมกับเพื่อนๆได้มารวมตัวกันที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตพระประแดงประชาอุทิศนี้เองครับพวกผมมีกันอยู่6คนคืนนั้นช่วงเวลาตีหนึ่งกว่าๆผมกับเพื่อนๆก็ชวนกันออกไปปากซอยเพื่อหาซื้อของกินและบุหรี่คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดครับในซอยและบ้านแต่ละหลังปิดไฟนอนกันหมดแล้ว ระยะทางกว่าจะไปถึงร้านขาปากซอยค่อนข้างไกลพอสมควรพอเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอสะพานครับเป็นสะพานที่ค่อนข้างสูงตอนนั้นไม่มีรถหรือคนเดินเลยทันใดนั้นเองเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อเบิ่มก็เห็นอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนผู้หญิงนุงผ้าถุงยืนอยู่บนสะพานตรงที่พวกผมกำลังจะเดินผ่านด้วยความที่ค่อนข้างมืดเลยไม่มีใครทันสังเกต แต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆกลับพบว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่นั้นไม่มีหัวครับเห็นกันทุกคนพวกผมรีบวิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปแบบไม่ไดีรอกันเลยวิ่งไปร้องโวยวายกันไปลั่นซอยเพราะผ่านไปได้สักพักประมาณ200เมตรก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านเดือนไทยเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มานานแล้วและเท่าที่ผมจำได้เมื่อหลายปีก่อน เของบ้านเดิมเป็นตายายอยู่กันแค่สองคนและได้หายตัวไปจากบ้านหลังนี้ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนเพราะผมคิดถึงเรื่องนี้อยู่เท่านั้นแหละครับสิ่งที่พวกผมเห็นกันตรงหน้าก็คือสองตายายนั่งอยู่ที่หน้าบ้านตัวขาวซีดมากๆและจากบรรยากาศโดยรอบที่มืดมากทำให้พวกผมเห็นตายายชัดเจนแล้วแกก็ชี้มาที่พวกผมมีขนาดมากัน6คน ยังรู้สึกขนลุกสู้กันเป็นแถบๆเลยตอนนั้นคิดหนักเลยว่าจะไปกันต่อหรือจะกลับดีเพราะเดินไปต่ออีกนิดใกล้ๆกับบ้านทรงไทยหลังนั้นจะมีสารพระพรมอยู่เป็นสารประจำซอยที่ค่อนข้างใหญ่มากพวกผมเลยรีบวิ่งไปที่สารทันทีที่บริเวณสารจะมีต้นไทรต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งผูกผ้าสีไว้ผมก็รีบเอาทูปเทียนที่มีวางอยู่บอกกับเพื่อน ให้มาจุดทูปกันแล้วขอให้เจ้าที่ผีบ้านผีเรือนแถวนี้คุ้มครองดีกว่าจากนั้นก็จุดทูปกราบขอขมากันไปทันใดนั้นเองเศษใบไม้แห้งที่อยู่รอบๆบศาลก็ดังขึ้นมาเหมือนเสียงคนเดินเหยียบใบไม้ครับเสียงมันดังเหมือนคนกำลังเดินบนอยู่รอบศาลอ้อมไปด้านหลังต้นไทรและจากที่เดินเหยียบใบไม้กลายเป็นวิ่งชัดมากเป็นเสียงวิ่งแน่แน แต่พอมองไปรอบๆกับไม่มีคนหรือเงาใดๆเลยลมก็พัดไปมาอยู่นานมากจนทูบในมือพวกผมหมดดอกจากนั้นก็เงียบลงพวกผมนี่ประมาณว่าหน้าหดกันทุกคนแต่กลับยืนตัวแข็งสั่นด้วยความกลัวสุดๆแต่แล้วสิ่งที่พวกผมทั้งหกคนเห็นเหมือนกันก็คือผู้ชายมาจากทางไหนก็ไม่รู้วิ่งขึ้นต้นไซไปอย่างเร็วพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังมากแล้วหายก็ไปในนั้นครับ พวกผมนี่แทบจะสติแตกกันอยู่แล้วสรุปคือไปไม่ถึงปากซอยต้องใส่เกียร์หมาวิ่งกลับบ้านอย่างเร็วเพราะกลับมาถึงบ้านเพื่อนพวกผมรีบวิ่งขึ้นบ้านทันทีคืนนั้นพวกผมนอนรวมกันหมดเลยตอนนั้นก็ประมาณเกือบเกือบตี3มได้แล้วพวกผมก็ปิดไฟกำลังจะนอนก็คุยกันถึงเรื่องที่เจอแล้วก็บอกกันว่าพรุ่งนี้จะไปทาบุญแล้วก็นอนหลับกันไปครับสักพักอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงแกลก เป็นเสียงปิดสวิตพัดลมที่ปลายเทา้าผมก็หันไปมองว่าใครปิดปรากฏว่าไม่มีใครลุกขึ้นมาสักคนผมเลยลุกจะไปเปิดพัดลมอีกครั้งแต่คราวนี้สายตาของผมเลยผ่านพัดลมไปที่หน้าต่างและผมก็ต้องตกใจเพราะเห็นมีเงาเดินผ่านหน้าต่างห้องไปผมรีบสะกิดเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ถามมันว่าบ้านมึงมีระเบียงนอกหรือเปล่ามันก็บอกว่าไม่มีเท่านั้นแหละครับ ผมรีบคุมโปงนอนอย่างไวเลยแล้วเชื่อไหมครับว่าเสียงที่ได้ยินกดพัดลมดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ไม่ได้ดังครั้งเดียวนะครับมันดังแบบเหมือนกดรัวๆแกลกแกลกแกลกแกลกไปมาอยู่อย่างนั้นทั้งคืนพอเช้าผู้ผมก็มาคุยกันปรากฏว่าทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดโดยเฉพาะเพื่อนที่ชื่อบืมมันลุกขึ้นมาดูว่าใครกดและมันก็บอกว่าเห็นเป็นเงาผู้ชายดำๆนั่งยองๆ กดพัดลมอยู่เบิ่มเพื่อนผมคนนี้จะเป็นคนที่มีเซนแรงครับจิตอ่อนจะเห็นอะไรมากกว่าทุกคนในกลุ่มเสมอแล้วหลังจากนั้นพวกผมทุกคนก็ไปเข้าวัดทําบุญกันเวลาผ่านไปหลายวันพวกผมก็ได้รู้มาบางอย่างเกี่ยวกับคืนเดือนมืดครับเขาว่ากันว่าพวกเล่นของคุณสยมนดำที่เลี้ยงผีเขามักจะชอบปล่อยของปล่อยผี ในคืนเดือนมืดนี่ละพวกผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเจอในคืนนั้นหรือเปล่าแต่นึกแล้วก็ยังอดขนลุกไม่ได้เลย